ตื่นมาให้เล น, นเบลล์อะไรเราถามไม่นิดเดียวเห็นนังสือรถท้อใจเมื่อไหร่จะอ่านเจอไปลืงยิบยบยิบพอใจจิตมาเปิดนะเจอหน้านั่นเลยหน้าที่เปิดบอกว่าผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดเหลือแค่นี้นเอนะมันไม่ปรุงขึ้นมาเป็นราคะโทสาโมหะหยาบๆไอ้ตัวนี้ถ้าทิ้งไว้นานนะสติปัญญาไม่ทันจะค่อยๆเติบโตงอกงามขึ้มนมาเป็นกิเลสหยาบๆขึ้นตอนนี้เป็นกิเลส ข, ขั้นละเอียด ไม่เป็นไรอย่าไปบังคับมันนะนั่นและคาว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะั่นแ่ะคือการปฏิบัติมาเมื่อไร่เราลงมือกระทําเมื่อนั้นเบียงเองกว่าจะเข้าใจว่าไม่ต้องกระทํำนี่ ง, ง่ายนหมหนงเกินมากยอมไม่ได้หรอกอยากทําดังๆสิ แค่พื้นฐานถ้าเกาะพื้นฐานอยู่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่าที่เป็นพื้นฐานส่วนมากเราจะเป็นเข้าใจว่าถ้าเราทําทานถือศีล น, นั้งสมาธิได้เต็มที่แล้วเราจะเกิดปัญญานู้แจ้งคนทุ้งได้พระโพธิสัตว์ก็ติ อ, อย่างนั้นพราะนี้แล้วพระโพธิสัตว์นี่นะเราเป็นบารามีมากมายอย่างเป็นเวสวตสันดรบริจาคท้าง บิจาคลูกบริจาคเนียบริจาคหนดเลยปรากเพระเวสสันดรเห็นบรรลุพระอรหันต์เลยรังชาติถือศีลถูกพระจับไปทรมานด้วยรักษาศีลบางชาติบำเพ็นสันติถูกพระจับแล่นื้อนะก็บอกจะไม่ตรวจตั้งใจว่าจะไม่ตรวจเขาไม่เห็นบรรลุพระอรหันต์นะเลยตอนหนีออกมาจาวานะวังแล้ะเป็นเจ้าชายสิทธิ์ข่าออกจากวางเมืองหัดเข้าทานเงินก้อนศีล ข้อ찬ได้รึกซึ้งขนาดไหนก็ไม่บรรลุอะไรท่านมาบรรลุเอาตอนท่านมาทาอานาบรรลุสิป้ใจเข้ารู้สึกตัวป้า ใ, ใจออกรู้สึกตัวมาทําความรู้สึกตัวเนี่ยในที่สุดบรรลุผ้าหาันข้อ찬รู้สึกตัวแต่ว่าอบา ร, รมีที่ท่านสร้างไว้มันเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเท่านั้าท่านเคยฝึก บริจาคลูกเมียตามเป็นพระเวสสันดรในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านกล้าทิ้งลูกทิ้งเมียออกมาเพื่อมาสแสวงหาสัจธรรมแล้วกลับไปช่วยลูกเมียทีหลักคือต้องใจถึงมากเลยเคยสลัดทรัพย์สมบัติแก่ต้าทิ้งราชสมบัติออกมานี่มันคือการเทรนตัวเองมาการสร้างพื้นฐานทางจิตใจมา แต่ว่าถามว่าการสร้างพื้นฐานทางจิตใจทำให้บรรลุใช่ไหมไม่ใช่แยกให้ออกนะการทำจิตใจให้สงบดีไหมดีมีความสุขทำให้บรรลุไหมไม่บรรลุหรอกท่านบนรรลุเพราะการจเจริญสติงเห็ น, นไห่ตอนเป็นเจ้าชายจิตท่ า, ามาบเป็นบารมีไปหัดเข้าชาน้ำมันไม่ประจ ตอนมันทรมานกายคิดเอาเพาะว่าจะทําอย่างนี้ดีทําอย่างนี้ดีนิดนิดนะึกคิดคิดเอาเราก็ทำํำไปตามที่คิดเอามาันก็ไม่สะจนทําไมไม่สะจ น, น่ะตอนเข้าฌานกับตอนทรมานกายไม่จําเป็นต้องสะจนแต่ตอนเจริญสตินี่มานมาเป็นกองทับเลงมันคืออะไรกิเลสกิเลสมาเป็นกองทับเลยกิเลสที่สะสมไว้เก็บซ่อนเอาไว้ด้วยการทําความดีทั้งหลายแหล่ เก็บสะสมอกิ เ, เลสซ่อนๆไว้กดๆไวนะ้แล้วโผล่ขึ้นมาเป็นทองทัพนะท่านจเจริญสติเข้ารู้ไปเข้ารู้ไปไในที่สุดก็ชนะชนะแล้วความคิดตามความเคยชินก็ยังกลับมาอีกนะท่านยังที่ในตำราบอกนางตังหาราคารดีกลับมาหรือท่านคิดถึงความสุขสมัยเป็นกษัตดิ์ เห็นแล้วจิตของท่านก็รู้ทันสติปัญญาต้องรู้ทั น, นความคิดอันนี้หลอกเราไม่ได้แนละ้วพี่สังสารมานี่หลอกเราไม่ได้จนะิตใจก็สลับไปเพราะงั้นถ้าหนูไปเข้าใจว่าหนูทำทานถือศีลนั่งสมาธิแล้วหนูจะรู้แจ้งนะไม่ใช่เป็นแค่การกลับปิดฐานะ นูข้อนะเอีงดูจุดขอบเส้นนะ ใดที่เราทําเนี่ยนะทั้งบวกและลบนี่ยนะไม่ได้หายไปไหนเราไปเก็บไว้ในวขวานขจิตของเรานะชาตินี้เราบำเพ็ญไปแล้วเราไม่บรรลุพระโสดาบันต่อไปเวลาเราได้ยินเกิดใหม่เราจะยินถึงการเจริญขีนี้เราจะเข้าใจอย่างรวดเร็วไม่เข้าใจยากเท่าตอนนี้หลงเพ้าไม่ตอนเด็กๆไฟไหม้ทางบ้านตกใจกลัวไฟไหม้บ้านติดๆกัน กลัวลุกขึ้นได้วิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งไปสามเก้าสิบไปเห็นความกลัวเหมือนที่สอนพองเรา น, เนีเห็นความกลัวเกิดขึ้นในแต่ละขาดส บ, บ้านอย่างนี้จิตนิ่สงสงบสบายเบิสบานเดิไปบอกผู้ใหญ่รใส่ไหม่แล้วเสร็จเราต้องงว่าผู้ใหญ่เขาวิ่งไปวิ่งมาราภาวนาถ้าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เราสก็บอย เมื่อถึงขาวสถานการณ์หยีพัน น, ะน์ก็ขุดขึ้นมาเองครูบาอาจารย์ท่านก็เคยเล่าอย่างนี้หลายองค์มันไม่หายยังไงหรืออย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนอายุสามพ่อท่านเจ้าสุโตโจอนะเคยรรทําพิดีแลกนานะพุ่มเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือไว้ใต้ต้นว่านแล้วเสร็จแล้วคนอื่นเลงไปดูเขาไถนามดท่านลุกขึ้นมาเองหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก สิ่งเหลังนี้เคยทาแต่ว่าหลังจากนั้นลืมหลวงพ่อเองเห็นความกลัวจ่ดูจิตได้ก็ลืมจนกระทั่งตอนหลังโตๆโตโตขึ้นมานาักิุญคยกลับมันไม่ได้ใหม่เพราะงัน้นสิ่งที่เราฝึกไว้ไม่หายหรอกแต่ทำไมมักน้อยจังคิดว่าไม่ผ่านได้ใช่ไหมท่านนิ มันไม่ไน้ตัวขนาดนั้นลงนะทับได้ดีอยู่นะเจริญสติทำไม่ดีนะจับหลักให้มั่นในลานทับนะไหเสียสับสนวุ่นวายกันมากตีเป็นวัดของแสงมาวัดเป็นมีมีแสงมากๆว่าได้กันนั้นกันนี้ซึ่งมันไม่ใช่อะไรนะความสว่างจิต จิตใจสว่างมากเว่ยโอ้ดีอย่างีสว่างอย่างนี้เมื่อ น, นั้นเมื่อ น, นี้จะจุลโสดาอะไรเง้ยโอ้พยากป อ, อยเงียเข้าไปเรื่องเปิดเปิดเพิงนั้นนั้น ให้มั่นเลยนะอะไรก็ตามที่จิตไปรู้เนี่ยให้สักว์แต่ว่ารู้รู้แล้วอย่าไปยินดียินไายเดี๋ยวปิดไข้ควรอะไรเกิดสงสัยรู้ว่าสงสัยถ้าพอมันเกิดอะไรขึ้นเราเอ๊ะขึ้นมาเนี่ยติตจะถอนจากภาวะนั้นเนยลยเราฝึกฝนตัว เ, เองอย่าเป็นคนชั่งสงสัยอย่ามรู้ทันไปด้วยบางคนเกิดภาวะจิตมันดําเดินไปดีแอ้ะขึ้นมาจิเดืถอนเลย ความสว่างอะไรเนี้ยมันมีหลายตัวในขณะที่เกิดอริยมรรคอริยผลก็มีความสวามม่างในขณะที่เกิดนิมิตก็มีความสวามม่างในขณะที่เราจะเริยสติแล้วเกิดย้อนเข้ามาสังเกตจิตนั้นก็สวา่างขึ้นเหมือนกันในขณะที่เกิดตัวปัญญานะปัญญาก็เป็นแสงสวา่างตัวสวา่างนย่มีเยอะมากทาได้ดีนะ อย่า ไ, ไปคิดเรื่องของใครถ้าเราจเจริญสติอยู่จะไม่มีของใครเข้ามายุ่งกับเรานะแล้วจิตของเราถ้าทาได้อย่างนี้โยกย้าอย่างกลัวเราเลยเพราะงั้นอ่าไปกลัวใสนะ่เลยถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยใครๆก็กลัวอย่างนี้ไม่มีสตินะซึมแล้วรู้ไหมจิดใจซึมรู้ไหม อะไรนะโยยังนะไม่รู้ไวๆนะไม่ใช่รู้หลังบอกนะมันเญจิตของเราเนะได้มีหรอเมันใหา่แค่ไหนมัน่แ่ีหลังพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ได้ใหญ่เงี้นชาติเดียวเจ็ดชาตชาตสามชาตชาตเดียว อัน น, นีโสดาบนในชีวิตนี้ชีวิตเดียวยางมีเลยคือพวกที่ได้โดาแล้วก็ทำสองบรรลุรานะัก็จบในชีวิตนี้เลยพวกโสดาอนนหนึ่งเนี่ยกำลังของอริยามรรคแรตอนเกิดมรรคจิตหนึ่งขณะดจริงตอนเกิดผลจิตนี้เกิดปาขนาแล้วกำลังของอริยามรรคแรงพวกนี้ไปเกิดอีกครั้งหนึ่ง แล้วบรรลุขั้หลังเลยก็มีเกิดสามชาคเกิดเจ็ดภาคิามคีส่วนจุรโสดานี่เป็นคำในชั้นหลังแนะล้วทำใ้ปลอดใจจุลโสดานี่คือเขาบัญญัติอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญัติที่แสงมากแสงน้อยนะเหลวไหลแค่นหนึ่งใ น, ญญนที่สุดที่มากบัญญัติอบว่าถ้าได้กังขาวิตรณาีิสุทธ เียว่าได้สุลโสดาบการภาวิสารนามิสุทธิคือเป็นญาณทัศนาที่หมดความสงสัยแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ทำยังไงอะนนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสามารถเข้ารู้เขา้าติดจิตจิงใจตัวเองจรนะิงๆเห็นความเกิดดับจริงๆรู้แจ้งแจ้งจริงๆว่ารูปกรรมเกิดแา่อะไร น, นามธรรมเกิดแา่อะไร ห, หมดความลังเลสงสัยในการที่จะปฏิบัติต่อไป เราถ้าสมมุติว่าเป็นดุลโสดาดุลโสดาเนี่ยคุณ ส, สมบัติก็คือปิดอภัยได้หนึ่งชาติชาตัดไปไม่ตกนรกอะไรเงี้ยทําไมถึงปิดได้หนึ่งชาเพราะว่าจิตใจที่ไปเห็นสภาพกรรมอย่างนี้นะเป็นตัวบาปกรรมมากเลยไม่ไปทําชั่วก็ปิดอายได้หนึ่งชาติาตห น, าน้าลืมไปทําใหม่ก็ลงอบายได้อีก อน่อยก็ต้องมีอ น, จนุจุลโสดาจุ ล, โ ส, จลโสดาอย่างนี้ก็มีจุลโสดาแล้วมีอนุจุลโสดาเอาขี้จุลโสดาทําไมเราชอบทําอะไรให้มันไม่เหม็นช้าทำไมไม่เจริญสติเข้าไปตรงลงลวงพ่อจะไม่พูดเรื่ององื่นเลยนะหลวงจะใส่ใจพูดแต่เรื่องที่เจริญสติทุกอย่ยวจะไม่นิยมเลยว่าทําอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้ นั่นมันเหลือมัวแต่ทำตรงนั้นเนยไม่เข้าใจของแก่นเหมือนทีทำความเข้าใจแก่นของการเดินสืบบีให้ได้แล้วละจะเป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรได้ทั้งนั้นเอยทาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยจำเป็นเป็นที่พักผ่อน เรางนัีนนะ่ยไปสังเกตความเปลี่ยนแปงของจิตใจนะตรงนั้นพอารมณ์ละเอียดนเนี่ยสังเกตไหมใจมีความสุขไหมชอบไหมนีม่เฉยเรู้อยู่ที่ความเฉยเของมันนะเสร็จแล้วมันจะเริ่มคิดเริ่มรุงแต่ ใจนี้สิที่เคยๆจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวันนี้เราเรียกว่าเราเจริญสติตลอดจากการทําสมถะไปเลยหลวงพ่อพุธจะเน้นตรงนี้มากเลถ้าทําความสงบได้แล้วเนี่ยนะอย่าทิ้งเปล่าๆต้องเอามาใช้ประโยชน์วิธีใช้ประโยชน์ก็คือรู้ตัวลงไปเลยขณะนั้นสงบแล้วรู้ว่าสงบอยู่พอความคิดนอกดวงแตงเกิดขึ้นมาเนี่ยพอสงบค่อยๆเปลี่ยนไปเห็นจิตใจค่อยๆลดลูหลังขึ้นมาดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เลยสติต่อไปทำไมสงบแล้วมันดีแต่ปุ้งแรงเลยเพราะเพราะว่ามันสงบเลยมันก็ต้องฟู้งอีกก็ต้องทําอย่างที่บอกรู้ให้ทันไม่ใช่พอสงบแล้วก็หลงยินดีพอฟุ้งร้านแล้วก็หลงยินมลายรู้ให้ทันมันรู้ว่าตอนนี้สงบรู้ว่าสงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟูงสร้างความสงบไม่เที่ยงหรอก จิตสงบแล้วเห็นมันค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆกลเป็นความฟุ้งมากขึ้นมากขึ้นจิตรับแย่ลงแย่ลงเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ก็รู้รู้ว่ายังอยู่ก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะรู้ว่าจิตสงบรู้ไปที่ความรู้สึกสงบ เว่าประเดี๋ยวหนึง่งความไม่สงบก็จะตามมานะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าถ้าสงบนะรู้ว่าสงบนะพอเริ่มไม่สงบฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ก็ได้หรือพอสงบเรื่อยจะเห็นว่มีความสุขหรือมันเฉยๆเอเริ่องฟุง้างานนี่เริ่มไม่เฉยลนะเริ่มไม่ชอบลนะดูตัวนี้ก็ได้ในตัวที่ดูได้ น, นั่นเยอะดูสุขรู้ทุกข์ก็ได้ดูว่าเป็นสนุขสนหรือสุขสนก็ได้สงบแล้วทุ้งซ่าน คือดูว่าจิตสงบ็นกุศลทุงซ่านในรดกุศลนะเลงี้ตัณหาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงดูดูว่าสุขไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงมัะนไะด้จิตสงบวมีความสุขมีมิวมมเบิกขาเป็นเวทนาเสร็จแล้วก็พอุง ร, ร่านมาเวทสุขรือเวทขานใดับแต่เป็นชุบเวทนาเรียกว่าเวทนานปัสนาเราทำนี้สติตัณห า, าหมดเลยก็้ แเรียรู้ที่แค่นที่หลวงพ่อพูดแล้วท่านอีนมันเป็นโหลท่านไปพูดซ้ำๆมันเข้าใจยากจริงๆนะเพราะว่าเราเปิดปิดอย่างเราเชาอบความสงบเนี้ยให้เราความสงบไม่มีประโยชน์เท่าไหรนะ่นัคนไม่ค่อยได้หรือก็อบอกว่าไม่ต้องทําอะไรหรอกที่รู้ตามที่กําลังเป็นรู้สภาวะทำกาลังที่กําลังเป็นยาก ญาติก็ให้รู้สเฉยๆทนไม่ได้นิดน้อยไปต้องทําอะไรสักหน่อยแล้วสบายใจบางคนมาบอกไลยนะเมื่อวานนี้มีเรียนธรรที่ทำมาตั้งเยอะ้อนบอกว่าตั้งเข้าฟู้งแล้วเข้าใจมาตรงกับธที่ทำเป๊ะแต่ว่าใจมันนิดย่อนมันรู้สึกว่าเจริญสติเฉยๆมันนิดเดียวมันน้อยเกินไปต้องทําอะไรให้มันเยอะๆหน่อยมันต้องเข้าฌานต้อง แต่นว่ามันเดินท่านั้นท่านี้ก็รู้สึกสบายใจว่าได้ปฏิบัติติดใจมีความสุขไหมมันเบิกบานกว่เมื่อกี้เป็นจริงไหมที่มันซึมแบบนี้แค่หันตัวอย่างนี้ก็ได้ดูแค่นี้ก็ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วเท่ารู้ใจของเราที่มันเ ป, นปลี่ยนเงยยังไม่หายสงสัยเนาะไป ห, หารหนังสือของลวงพ่อไม่รู้เปล่าไปหารเรื่องอะไร ให้ให้มีลิงใหญ่เหมือนมีเอ็มเหมือนนี่นี่โอ้ลิงใหญ่กาลังทิมอยู่นำงทิมเหมยอะไรนะหอมมากที่นี่ด้ ได้ขอหลายรายเล่นด้วยในสีน้ำตาลปุ่ปปนๆเลเยด้วยรวยด้วยเยอะๆเลยแต่ลอยลายนิดนึงเท่าก่อนหนูจะทำใจได้ลนะ้ว่าเป็นแค่การเสลี่ยสถิติพนพราเหนื่อยทั้งนานน่เอาเล่มนี้ใครยังไม่มี นี่ครับมีแล้วนี่ครับคนบุรีลำนี่ครนี่แหละนี่นี่ไปเลยนี่นะีนี่น่คนบุรีลำนะ ก, ก็ได้ไลยคุณวัฒนา 怎样理解？ ใส่รู้ไหมใส่ขนาดนี้รู้ว่าสงแส็ยไม่เห็นต้องพยายามอะไรเลยถ้าพยายามนะนั่งจ้องนั่งพยายามถึงไม่มีอะไรให้เกิดให้หออะไรหรอกหลูกพ้อเลยสอนเหมือนตัวื่นตัอนจะสอนทำมันนุ่นแก้ยังว่าหลวงพ่อผมไม่เอาอย่างนี้ยผีชาติก็ไม่เจออ้อมคลอกจริงๆแล้วมันเหมือนที่ท่านโบว์บอกไอ้ท่านไว้หลังบอกว่าการปฏิบนะัติเนอะไม่มีวิธีอะไรหรอก ตื่นข้ามาแล้วก็ลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้จริงๆแล้วพรทเจ้าก็สอนพระอายักษ์บอกว่าพอายาักษาเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นนะแค่สักว่าเห็นไม่เห็นเธอเห็นก็เห็นนะสักว่าเห็นหมายถึงอะไรจิตเนี้ยนะไม่เข้าไปแทรกแต่ไม่เข้าไปยึดถิด แต่างตนนี้สงสัยใช่ไหมเนี่ยเมื่อรู้แล้วเมื่อทราบแล้วไม่สักว่าทราบเลยไปช่วยเป็นคิดมันไม่สักว่าไม่สักว่าในการท่านสรุปตอนท้ายบอกว่าถ้าเมื่อไร่เธอสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าทราบเนี่ยอะไรอะไรก็สักว่ารู้สึกตัวรู้สันไปเรื่อยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ช่วยมันคิดเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเนี่ยอนแปลกมากเมื่อไรเธอไม่มีน ในปัจจุบันเธอก็จะไม่มีอำนาคตเธอก็ไม่มีระหว่างปัจจุบันกับอำนาจคตเธอก็ไม่มีนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เพราเป็นธรรมะ ท, ที่ลึกมากพูดเรื่องทําไมอาชีพย์ไม่มีทําไมเราไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์ยังไงมันทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราฝึกสักว่าสักว่าอยากพูดรู้ไหม รูไปเห็นไม่สักว่ามันเฉยๆไม่ได้ต้องไปห้ามมันนะยังต้องไม่เกิดเกิดแล้วต้องรีบดับอย่างนั้นไม่ใช่สักว่าถ้ารู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดก็สักว่ารู้ไปคืออย่าไปเติมอะไรอ ย, ไไาาอย่าไปแทรกแซงมันรู้สึกตามที่มันเป็นธรรมะนี่นะตื้นนิดเดียวเลยแล้วคลิกมุมความเข้าใจนิดเดียวเขาเข้าใจกันแดงหมดนะ ไม่ใช่ถ้ายัางไปคิดว่านี่คือเสียงนั่นไม่สักว่าเข้าไปเติมความคิดของตัวเองลงไปเ ว, ว่านี่เรียกว่าเสียงแต่ว่าเหรอก็คือได้ยินแล้วก็ได้ยินไปสิไม่ต้องไปไขส่วนไม่ต้องไปยินดียินลายไม่ต้องไปรุงแต่งอะไรสอบอย่างถ้าหนูได้ยินแล้วก็ได้ยินหนอมีมรุงแต่งละดูงแต่งต่อละจิตใจหมดความรู้สึกตัวแล้วไม่ว่าไปคิดคิดเอาตั้งใจรู้ไหม ไม่ใจรู้ว่าท่านแสรจจบแล้วเสร็จแล้วตักว่าเรียบร้อยถ้าปฏิบัติก็ไม่ต้องศึกษาแต่ว่าอาจจะเอาไปอ่านเล่นๆอ่นานรับสนุกเบิกบานใจเวลาเครียดๆขึน้นมาไม่มีอะไรทำนะไปหาปสูตรมานัอ ง, ง่านเล่นก็ได้สนุกดีอ่านลับสนุก ว, ว่าภาวนาะเป็นนี่นะต้องใจสภาวาให้พัดจะทำลายที่ตรงและเหยียดมาทำลายงยเดี๋ยวไปแล้วนะ เนี่ นั่งดูรูปหลวงพ่อ <c oughs> มีบางคนนะที่ทำมาไม่เลเลยเส็จแล้วที่บ้านไม่มีที่เก็๋แขวะบอกนิมนต์กลับมาอยู่วัดเรื่องเก๋กะว่าตอนที่จับหลังให้ได้ดีแล้วลนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อพูดเ ล, นเล่นๆให้รู้ว่าให้รู้ว่าห้รู้ว่อยู่ในปัจจุบนันหรือว่าพูดเ ล, นเล่นๆ มาถามเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิเขาบอกให้เดินไปด้วยความรู้รสึกตัวนั่งเงี่ยงตื่นตัวเขาแต่เรื่องรู้ผู้กี่กีก็พูดอยู่แค่นี้ทำไมพูดแค่นี้เพราะแค่นี้ช อ, อบรมมวมหมดแล้วถ้าเราไม่เป็นผู้รู้เราก็เป็นผู้หลงก็มีแค่นั้นเองถ้าเรามีสติเราก็ไม่เหลือไปถ้าเราเหลอไปเราก็ไม่มีสติก็คแค่นั้นเองเมื่อไรมีสติล้วถ้าเกิดกุศรจิตเมื่อไรขาดสติก็เกิดอกุสรจิตก็แค่นั้นเอง มไม่มีช้ยที่สามอือหรือยังไม่ต้องไปแยกกันนะหรือไปรู้ไว้ว่าโสใสหรือว่าเป็นอะไรรู้อย่างเนี้รู้ว่ารู้ว่ารักรู้ว่ารักแค่นั้นอะไรเกิดขึ้นมาตักแต่ว่ารู้ไปแรื่อยๆตามไปเรื่อยๆตัดแต่ว่ารู้หมายถึงว่าไม่เข้าไปละมันนะไม่เข้าไปแทรก เหนอยากพูดเห็นความอยากเกิดขึ้นมาไม่ต้องพูดความอยากไม่ดีละนะจ๊ะต้อ ง, อง ร, อ ร, รู้สึกเลอะไรเกิดขึ้นรู้สึกสำคัญนะเออต้องข้าวหาันต้องใช้ความกล้าหานะันในการที่จะรู้เพราะมันน้อยมากเลยถ้าให้ทําอะไรเยอะแยะนะไปเดินต่อนสิบชั่วโมงแล้วมาพูดเปนไหมเรู้สึกน่าทำน่าคิดสิ แล้วก็อย่างนี้จิตเราอะมันวันไหวจิตพอสงบอยู่ในที่นั้นมอยู่พรวดออกมาเลยเนะรุดออกมาเร็ ว, รวๆวะสะเทือนรุนแรงเกิด จิตรวมอยู่ก็ปล่อยให้เขารวมอย่าไปดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยนะมันก็มาหวานไหวรุนแรงมากนั่นเป็นวิธีปฏิบัติถ้าใช้สมาธินําปัญญาไม่ใช้เวลาเยอะมันเหมาะสรับคนที่อยู่ในวัดหรือคนที่อยู่ในป่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยต้องพยายามใช้ปัญญานำสมาธิอะไร เ, เกิดขึ้นต้องรู้ไปรู้ไปด้วยตามธรรมชาติถ้าคืเป็นนั่งจิตรวมอยู่ในเมืองเนี่ย แล้วต้องถอนออกมามันถอนอมาบางคนปวดหัวไปเลยนะแล้วเครียดไปทั้งหลายวันนะอย่างเเพราะจิตกำลังเหมนกับคนนอนหลับสนิทแบบ้นสะุกขย า, ขายไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ตายอย่างนี้นใจยืดตูนรูมสูงขึ้มนมาเพราะว่าเราเน้อเก็ไปหาความเงียบๆก็ถูกดึงออกมาเลยนะเหมือนกัน <c oughs> ไม่ขหว่าทำได้ไไเพาที่หลวงพ่อบอกที่้นได้ได้แล้วแทที่ดีพอเจอสติสีมากเท่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยน้ อ, เอามเข้าไปหาสิ่งนั้นดนั้นมันเป็นผลจ็นการที่เราฝึกผลมาทางส ม, มาถะเยอะจะเปจนชัดขอด ก, ก็ได้ทำเป็นรูปชั้นเดียวคนเรามันเปิดยตายๆซ้ำๆ เนี้ยฝุดแตกอ่างนะี้ใจิดสบายใจประเศจษฐเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็นกหนักเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวสบายเน้ยต้องรู้ไปอย่างเนี้ยต้างรู้ไปทั้งวันเลยไม่ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรประมันไหยแต่ว่าใช้ชีวิตทําหน้าที่ของเราปรกตินะเดี๋ยวีหลวงพ่อบอกไม่ต้องทําอะไรไม่เรียนหนังสือไม่สมาธิไม่ใช่แต่ว่าไม่ต้องทําอะไรที่เรียกว่าการปฏิบัติต้องรู้ลงไปจริงๆแล้วไปได้เร็วมาก ต่อไปจะน้จํานานอยากสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้ไม่อยากให้สงบอยู่กับโลกตามธรรมดานี้ก็เดินเหืเช่นใหมอยู่รู้สึกแเรื่อยคิดอะไร่องอยากพูดแล้วมแรงตักไมักเพื่ลืกหนึ่งเลยเไหมเห็นแรงดันมมันแรงขึ้นเนะ ไม่ห้ามมันรนะู้สึกนะเดี๋เหีนยมัเกิดระดับมีอะไรที่จริงอะรู้สึกรู้ตัวได้อยู่แล้วนะพยายามรู้รตัวไปเรื่อยๆตามธรรมชาติไม่ถึงเลยนะทำไปเท่าที่ทำได้เท่าโอกาส้วย ธรรมว่าฝึกได้ขนาดนี้ก็เก๋งแล้วมันดีขึ้นเองตีหกห้าเลยเวลาถ้าใครจะถามอะไ ร, รอีบถามใหม่ๆนะบางคมนมาฟังครั้งแรกนะออกจางว่าใปเนี่ไม่ได้อะไร เ, เลยนอกยากความปวดหัว เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเหมืนหนอนกันในการที่เราจะเปลี่ยนแอปซส์สในการศึกษาของเราแต่เดิมนี้เราเคยเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการฟังด้วยการคิดแต่ว่าพอหลวงพ่อมาบอกว่าศาสนาพุทธมีอีกแอปซส์การทำตัวเป็นผู้สังเกตการทำตัวเป็นอ b s e r v e r คือผู้สังเกตการเฝ้าสังเกตไปพฤติกรรมทางร่างกายของเราเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไป เนื้รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวพฤติกรรมทางใจจิตของเราดีก็รู้จิตของเราไม่ดีก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ ก, ก็รู้พฤติกรรมของมันเรยเรื่ยเป็นแค่ผู้รู้ผู้เฝ้าสังเกตมันเป็นวิธีการศึกษาที่เราไม่คุ้นเคย สงสัยอยู่นะรู้แต่จะเห็นในความสงสัยเนี่ยความรู้สึกนะอย่างก็แรงอย่าก็เบาอย่างก็หายไปอย่างเดียวความรู้สึกอีก็มาแต่ที่ก็เท้ารู้ไปเรื่อยๆคือเราทราบรู้อยู่ในปัจจุบันคําว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่มันก็คือขนาดตรงหน้าเราเนี่ยแต่ว่าขนาดถัดไปยังมีความตั้งใจอยู่เราก็รู้อีกมันคือปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่คิดแปลนักโ ค, คิดแปดีเพราะงั้นจะถามหลวงพ่อว่านั่นจะรู้ความตั้งใจกี่นาทีกลับไม่ได้มันมีอยู่ก็รู้อยู่คําว่าปัจจุบันเนีย่ยเนี่รู้อย่างนี้แหละนะสังเกตหัดรู้สึกตัวสบายๆทำไปอย่างสบายๆนิ่งทาสบายบา ย, ยิ่งง่ายยิ่เป็นไรเป็นแล้ว หลงแล้วรู้ไหมแค่นี้เองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะแล้วสอบไปเราไม่ต้องถามใครเลยเรื่องธรรมะ mm hmm. รู้ด้วยตัวเองจริงๆอัศจรรย์มากหลสงใสกแล้วรู้ไหมหรือแม้ hmm. เราเหมือนกับเราถล่บลงไปอยู่ในโลกของความคิดดูออกไหม mm hmm. นี่แหละที่เรียกว่าเผลอแต่เราไปรู้เรื่องที่คิดหมดเลยนะแต่เราถลังไปอยากพูดละ ใช่เพราะงั้นตอนที่ใจลอยรู้ไม่ได้หรอกแต่ที่รู้สึกตัวขึ้นมาเว่ยเว่มันจะได้หลุดออกมาจากโลกของความใจลอยเนี่ยใจลอยแล้วรู้ไหมเป็นคิดเอแล้วคิดเอาแล้วลืมตัวเองนี้ก็ไปแล้วดูออกไป้วใช่ไหมนี่ถ้ารู้ตรงนี้ได้แม่นต้องง่ายเลยไมนยากเลยยากที่สุดจุดที่ยากที่สุดของการศึกษาศาสนาพุทธที่จุดนี้รู้ตัวให้เป็น รู้ว่ารู้เป็นยังไงหลงเป็นยังไงนะเพ่งเป็นยังไงเพ่งง่ายๆใครๆก็เพ่งเก่งเพ่งคือการที่เราคอนเซนเทรตลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะให้นไม่มีตรงนั้นเนีย่ยตอนนี้เราไปคิดเอาชนะิ้นเล็กบางคนมึงก็คิดนี่คิดแล้วหลงเลยอือหนูทำได้ดีแล้วนะใส เราไม่ได้ไปคิดถึงชาติหน้านเอาเป็นชาต น, นี้แหละยากที่สุดที่สิดจุดนี้ถ้าเตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะที่ เ, เรียกวาภาวาที่เรียกว่าตื่นรู้ตืนะ่นนะเบิกบานถ้าเข้าถึงภาวะนี้แล้วาการปฏิบัติจะร่าเรื่นให้รู้สึกตื่นด้ทำไรนะตื่นตื่น แล้วจะรู้เองเลยนะดีมาก็รู้ซื่อมาก็รู้ถูกมาก็รู้ทุกมาก็รู้รู้แล้วทำอะไรไหมไม่ทาอะไรรู้เฉยๆไม่แทรกแสรกเห็นไหมมีแต่เกิดระดับเกระดับว่าหลวงพ่อสอนบางคนนั้นสามสี่ปีมันจะรู้จักมันจะรู้ว่ารู้เหลือเป็นไงบางคนมาฟังครั้งเดียวเห็นไหมมีกัน มาฟังประโยคเดียวเข้าใจเลยนะเพิ่งคเคยเจอคนนึงเป็นด็อกเตอร์อยู่อเมริกาเพิ่มาเมื่อไม่กี่วันนี้ไปอ่านหนังสือในเน็ตที่หลวงพ่อเขียนงานที่ทำมาแล้วหมดแล้ะมาถึงก็มานั่งปุ๊บแต่หน้าผมอ่านที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยผมทําเนี่ยถูกไหมไม่ถูกหรอกเนี่ยทาอยู่แทนที่จะรู้อยู่ ใช่ผมก็กลังตั้งใจทําอยู่ก็เป็นรู้ว่ารู้ตัวเอ็นอยู่แต่มีคนเดียวนะฟังประโยชนเดียวนั่นรู้บางคนไปตีเลยโบอโบว์ภาคเกลี่นมากนะ่ก ว, ว่โบนจริๆต้องนายยกยนะ่องมากเลผมก็ชอบยกตัวอย่างโบว์ที่จัดเนี่ยเนู่ยผมก็ชอบมากเลยเป็นเคสสตา๊าดดี้ที่สวยสดงดงาม โบเนี่ยอยานมากอยากจะปฏิบัติด้วยความค้นรุ้นือนไปนั่งทำอะไร ม, นมนันนั่งเท่งมันเท้งเท่งจนนิ่งหนึ่งนแล้วเดือนหนึ่งก็ไปหาหลงอที่ตลาดลุงศรีถึงก็เรียถามที่หนูปฏิบัตินี่ถูกไหมผิดให่หนูทำานี่ยผิดเพราะหนูไปทำเอาหนูอย่าทำหนูรู้ว่าผิด อะไรเกิดขึ้นก็รู้ปไปเลยสุ่มเฉยก็รู้ทุกเมเฉจก็รู้ดีเกิดก็รู้ทพื่อเกิดก็รู้รูเ้เฉยเ่ยอย่าทําอะไรอย่าไปบังคับใจเอตร้ขขงนนองให้กลับบ้านไปร้องไห้สองสาวันทําไมเปีน่นวิธีการไปทำใหม่อีกทํำมาใหม่ละคิดไม่ใช่แล้ะถึงเดือนมาสาตวราลุจีคุณาถ้าหนูทำถูกไหมคิดหนูอย่าทําประโยคที่สอนทำแล้วต้องหนูอย่าทำ การปฏิบัติไี่จะทําอะไรไม่เคยทอะไรการปฏิบัตนะิในจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เจยเคยทำอะไรขึ้นมารู้ให้ทันเฉยๆโบก็ร้องให้หยุดที่ตลาดอีกก็ร้องไว้ให้คนเห็นร้องอยู่ข้างในตอนนะี้พอไปร้องจริงๆที่บ้านเรียกร้องแล้วก็กลับมาทําอีกอย่างนี้นนนเป็นปีเลยจนวันหนึ่งเนี้ยเลยเป็นปีๆแล้วนะไม่เคยปลุกเลยมหา คุณอาทีไรนะคุณอาว่าผิดทุกทีเดินตามหลังเป็นหลวงอาแล้วก็มุ่งผีดอีกนิวันโบบอกว่าหมดกําลังใจแลนะไม่ปฏิบัตนะิแล้วแต่เป็นน้เลิกและ้ะคล้ยๆเนื่ยไม่เอาแล้วทํามาจนสุดวิสุดเส็จแล้วไม่ได้ผลนะเลิกลเสร็จแล้วไม่เอาปุกเหลือเกินเนี่ยยามอยากปฏิบัติทำความไม่คิดว่าจะปฏิบัติเลิกแล้วเห็นความท้อแท้ใจของเตัวอง การปฏิบัติก็ทําเป็นอย่างนี้เองอ่ะโง่อยู่เป็นปีเลยเห็นคามท้าใจของเองโผล่ขึ้นมาต่หน้า ต, อ, ต อ, อบ ต, ตัเขาโผ่ขึ้นมาเ้ารู้ว่มันถึงกะดับอารมณ์อื่นโผล่ขึ้นมารู้มันมันก็เกิดแล้วก็ดับเลยแล้วก็ดับอ๋อการปฏิบัติตตตก็ทําทเป็นอย่างนี้อยเองนั่นใช้ความรักเกียดนา่ายงย่องมันอแปลกกว่าจะทําไดนะ้มันไม่งนะ่ายเลกว่าจะเลิกทำไม่ได้กว่าจะทําได้ ต้องเริ่มต้นเขียนให้ถูกด้วยใช่ไหมถ้าทำผิดแล้วขยันเนี่ยนะกุ้งไกล ไปนะเพราะถ้าเรารูตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่เรานั่งอยู่เนี่นั่งสมาธิทุกก้าวที่เดินคื่เดินตรงตรงหปูมั่นสอนบอว่าถ้าเป็นตรงตรงก็คือเดินอย่างมีสตินั่งสมาธิคือนั่นอย่างมีสติใจใจลอยอย่าไปนั่งเคข่งให้นิ่งๆตึงๆทุกนี้มีคนตื่นขนมาเยอะนะหลายคน ใเวลาเป็นปีๆไปเถียงถ้าพอมีงั้นเดี๋ยวคานทางทนี้ยมกลับบ้านแล้ววันสุนิดมานด้ส่วนนี้